มือที่สิบสามเนคุมภาคที่ส <c oughs> า, ามสิบสามนี่แบบผมเลียงเรือทาไมยังมีโอกาสเนในโอกา ส, สากาส็เลยมาบกบอกพระจาทองทิน้นี่นะเอื่อผูบ้บ่เคยฟังก็สิได้ขึ้นหูก็ทิ หามาจากปากกลางสิก็พยายามฟัง่งฟังได้ก็ฟังฟ้งฟั้งไปได้ก็ั้งไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตืน่นกัมไพอีสานบอกภาษาปากกลางโดยชัดมันจิตกเหนื่อยนะมันตกแล้วมันมานคื อ, คอเขือนในในคนก็เลยพราะที่เขาใจดีหรอกบอกเรียงภาษาเพื่นบ้านภาษาไพอิสานที่เขาใจดีดีหอก เพราะว่าเขาก็มีโอกาสมือนีเป็นมือที่หกของการจัดปลดล่มมีปัฒนากรรมฐานที่วัดป่าสุมมโนหันดอนล่างจัดพวกพ่อพวกแม่พวกญาติที่ทำกับลายเตอรลายเตอรบาสุบาจิกาตะหลามา่อยกันเลย่อยกันสา ง, สง พระพุทธศาสนามันจะเลื่อนเพราะว่าศาสนาเฮ้าเส้มือมว่าใครไว้ใจมันหลายมันลายศายสนาเขามาแจกแจงข้าบกเข็มแข่งพ้าวบกใจกันมันสู่เขาไปเลยข้าวบกฝึกฝึกขมาจี้องเจ้าขอ ง, ของให้มันดีขึ้นมันก็สู่เขาไ่เลยถูกทั้งเดินเขาแย่งเอาไวก้กินสับเมื่อได้กินสับปลาให้งเลื้อย พอไดดูพได้กินแล้วก็กินก่อนมนอนั่นเราต้องฝึกสะครองแล้วมันฝึกสะคลองมันดีขึน้นแต่มันง่ายขึน้นฝึกจังไล่ฝึกจังเลก็ะดิฝึกจังเล่กระเดิดพอบุคคลเผามันมันได้สุานะ่ะยืนสิเดินสินั่งสิ น, นั่กระเดิแต่พอเป็นการยืนก็ต้องมีขอบมีเขี่ย การเดินก <S preach ers> ็มีขอบมีเกศการนั่งก็มีขอบมีเกศการนอนก็มีขอบมีเกศเมื่อวันอยากยืนก็จะยืนอยู่เมื่อวันอยากย่างก็จะย่างอย่างนี้แหละมีขอบมีเกศเป็นยังไงมีการอบล่มขึ้นการไปการมาไปมีขอบมีเกศเอาอย่างเป็นขอบเป็นเกศเอาสติตนิแล้วมันมันวอกขันยืนสติะสติเป็นขอบเป็นหลวง ส ต, ต, ญญ ต, สติสัมมาจัญฑะของในสำลักโรสติสติควบระลึกเด็ดเกก่อนเลยก่อนทำก่อนผูก่อนคิดก่อนสติตองระลึกก่อนเลยเพราะมันทำผิดแล้วจังโอ้โหทำผิดเ ล, เลยนะัน่นต้นผ า, าสติเพามีสติต้องระลกกึก่อนซะก่อนคิดซะก่อนคิดก่อนทำอย่าทำก่อนคิดเป็นว่าคิดไปก่อนจีเห็ุ ยังทำเห็ดยังกระซงผิดใจก่อนสั่งสล่าสัางบ้านสัางโบสถ์สั่งวิหารเท่ากเขียนแสนก่อนเด้ชแสนแสนเกลือูกผักมันเชียายังสั่นเจียวังสี่เอาตรงนั้นตรงนี้มันแล้วกันเดชแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเราเป็นที่เขาคิดก่อนนะมันแล้วมันแล้วปัดมาเห็ดที่หลังเลยมันเห็ดที่หลังเอาลูกวาราเห็ดที่หลังเห็ดที่หลังมันยังในลูกในหลามเป็นมากยังในยูยังในอาศัยเลย เหตุยังมันไมีแบบมันไม่แผนมันมันก็บวชีเลยบองง่ามมันตแบบ่อๆเข้าคู่กันแล้วเข้ามาเหตุเหตุเห็เหนไม่หลูกไม่แบบหลุดแบบหลุด ก, การไปเล่นสติแบกลงปูเทียนลงปูเทียนเขาอาอตมา ก, ก็เป็นหลานเลยมันเป็นหลูก <c oughs> เป็นหลูกของหลูกอีกทีหนึงหลายตอ่อหลายแนวหลูกเป็นหลานท่นหลานลงปูลงปูมันก็เลยจากเข้าไปแล้ว จจกกตแต่จากไปแต่หลางไส่เด้แต่วันหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติของเฮาก็ยังอยู่อยู่เฮาก็ยังเดือมใสอยู่ยังพอไปเจ้าเฮาขึ้นกันแล้วแากไปสักปีแล้ว2องพันหาลอยสามสิบสามแล้วหลายคนนี่หลายคน2องพันหาลอยสามสิบสามนี่เพราะประทังกังน่าจะสืดเป็นประา ก, กาศกาะจายยาสีเสภาสีเสภาปีนะเอาบวกเ้าไปเป็นเลยต่ว่า หลายคนน่ะก็ยังยั่งอยู่เลยยังยังั่งอยู่เพราะว่าพวกบริษัทของเฮายังรักษาอยู่ยังรักษายยังเหลื่อมใสในธรรมสอนของคนอยู่บอกงายๆยังหักคนอยู่หักอุปราชตระหนายู่พยายามปกป้องอยู่คนแตบริษัทเฮาจะเป็นอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีพิสุทธิสุนีก็ดียังบริษัทต้องยังยั่งอยู่ แต่พอที่สุนีหายไปแล้วแต่ก็บกว่หายคือเกลานละเอามาบอกคือเกลเอามาบอกเดี่ยวเขาขอยใจคือเกานั่นแหะถึงว่าทีหายก็จะเอาขั้นนั้นอะมาบอกเอาของเก่ามาบอกเอาของเก่ามาศึกษาศึกษาที่ดีของเขาให้มันดีให้มันงามสึดเป็นยังไงมีระเบียบแบบแทนการไปเรื่อสติก็ดีที่สติ ก้ อ, อนเท็ดายางกระซางก่ง อ, อนเทวดาถ้ำกระซางก่ อ, อนเทวดาพูดคิดเราทำมิสติเขาไปควบคู่เขาไปกำหนดลูกยางที่ยางมีสติจึงกระผมเองและธรรมาเองเพคยปฏิบัตมิมาหลายปีอยู่แต่ว่าบาเห็ดแหจงเืฉอให้ดค่อยๆเห็ดบาๆเฉื่อยเฉื่อ ย, ยนิ่มๆยางโตบเบาๆทำโตบเบาเห็ดจังหวะลงก็สร้างมัน มัต้องก็มต้องกดกั่มฮมัต้องกดบต้องม่ต้องสร้างเจมากแบบย่างไปธรรมดาหูแมแน่กูแน่แน่ก็สร้างหัวมันลืมแล้วก็เอาไม้ลืมแล้วก็เอาไม้เพราะว่าเขาคนไม้ด็กเางคนเก่าเดกคนเก่าบ่ได้เหรอก่นยางผุเจ้าปูไม้เอาต้องคอยคอยเห็ดข่ไข่กเป็นหน่อยมันเหยนยางอัตมาเคยเอาเอาหนองหน่องมันเหยนยางย่างย่ ที่แหลกทางมันตะศอกนึ่นกัย่างวาหามันสิลบู้ไปตอมัก็ห่างไม่เลยหางไม่เเป็นว่าเป็นเศษเตะมันก็ยางเลยดีของมันเ็ดที่แหลกให้ค่อยๆใก่อนอย่าไปคุ้มจะปอกค่อยๆเห็ดเบาๆเห็ดบอบอ่ะม่าต้องว่าต้องจะผู้มันละว่าต้องจะเห็นมันละทำมาที่เป็นเงินเล็กทางคุมคนทุกเป็นเงินเล็กตามว่าต้องไปเนทุ้งคุณแต่มาเซ็นไปค่อยๆใช่ป่ ภูมใหม่เลยเขยิ้มเฮ็ดเบาๆจะไปเฮ็ดแห้งเอาภูใหม่ใส่ใ่เขาเฮ็ดขับรถปืนขอดิไปรเบืเอาบ่เ็ดบ่ท่านชานาญเัีแบบเนีเฮ็ดค่อยๆค่อยขับท้อยหน้า้อยหลังค่อยๆผู้บาอาจารย์ก็เบาค่อยๆกระไเค่อยแห้งกระซังพ่นพ่นก็ค่อยแหงกระังห้องปร้ืนเอาเึงเธอตั้งเกีเท่าใดเฮ็ดเบาๆจะไปเฮ็ดหนัก ไปก้อนมันไปไปมันหนักหัวนักต้นนักตัวหาอุบาย น, านั่นนั่นอืนไม่เนอนเลยเอาน้ำา่วยหนาแน่แล้วก็แน่นหนาแน่นหนีแน่ยางตัวเบาใจยเย็นๆแต่คือุ่มมันมัน่มโดนสิแปกเลยปวดหัวก็ยิย่ง ป, ปวดก็ไม่หยุดวิธีเป็นบ้าทบ <laughs> เป็นบ้าในะบ้าปฏิบัติคน่ะบ้าเดินตรงกรมคนละ มือมันมาบอให้เดินให้เดินอยู่แต่ว่าสำนีวสำหรับอัตมาเองแล้วก็พมดิ่เห็ดเหเบาๆบเคยไปถามอาจารย์นักเสียบันก็เลยไปแก้อารมณ์กับอาจารย์นักเสียเบาๆเพื่อนเขาแก่อยู่เลยทั้งสี่แหละธรรัดที่งสี่ธรรมะต่ทํารมดเย็นมันก็บอกกับสอนกันเลยมันก็แก่ห้องกันเด้ห้องก็ตั้งเอาหัวตัวเนาะค้นไปแก่ม่นก็บอกหูภาษากันยังไง ก็ไปแกเอาใจคองกันต่อทถ่ายแะไม่แก่ให้ถ่ายมตนไมสอบให้แก่เอาใครองคุบอกันทันเอ๊ะมันเตืี่ได้กุยางที่มันเตนันทันเอต้องเอาควาคิดอกมาถกมาเถื่อนแก่ใครเอาจะครองแล้วฉันลาอตมาหอกบกาถามคนเห็นครูบาอาจารย์ระหาเราหายซําหายซ้ำดีดซําแก่ใครเอาจะครองเลยแก่ใครเอาใจคองเห็นตัวมาบอกใคอง ว่าคยหนักว่าคยคุมตัว้อง่เคอยหนักว่เค่ยคุ้มมี่นนะจิตใจห้องมันจสบายร่างกายห้องมันก็ท่จิปรับตัวกับับกับธรรมชาติแต่ายกับว่าน่ามันน้ามันหนึ่งนะน้ามันหนึ่งน้ามันก็เพียดน้ามันใสเท่าที่เห็นอย่างในงเด็ดเยเาว่าพยายามประคับประคองตัวเข้าแล้วของเฮี้ยนยางเลยเฮี้ยนปฏิบัติพวกเข้าไว้กันแล้ว ผูเขข้เก้าก็จะได้รักษณะเท่กันปฏิบัติค่อยๆบ่ต้องอยากหูมันละบ่ะต้องจยเห็นมันละมันจะพ่นทุกข์พวกคนกระตามท่ามันบ่ต้องอยาเห็นมันละ่ะเห็นเว ล, ลาเ้ายยางดีกลัวเห็นค่อยๆเงงป็นเบาๆยางไปยางมาเดินกับไปกับมาขันมันงวกตางจังหวะเอามือจิกที่แหลกตรงหูจะก่อนเลยหูส่วนใหญ่วะก่อนมือเป็นมือวะก่อนเลย เั็นเราอัตมาแล้วก็เดีมือหูว่ามือมือแล้วจิงบริารลูกเดที่แหลกบริวาลูกเด้ว่ามือจิงอย่างนี้อนี้กาขายจิงก็ว่าขายจิงอย่างนีจินเกียบก็ว่าจินเกียบเด็กมันบด้วาลูกเด็กมันโอ้ยลูกเกียบแล้วโอ้ยลูกยกแล้วมาท่านเยียบมาเนธมาทนเดียบาหูมันกอนเงินตไปหู่วน่วนประกอบมันเป็กนหูว่ามือจิงโยขึ้นก็หูจะว่ามือยก เอามือกัามหานาอกกับหูจะว่าเอามือกับมหานาอกพ็ออกก็หูจะว่ามือกออกเอาวางไว้พูจะอามือว่างไว้ว่างไว้มองไปยี่หัวเข้าตีหัวเขาก็จะว่าหัวเข้าสั่นเด้อูสั่นเดวันนี่หูเขาหูของหูหลายหูหลเขามันร่วมตัวเขามันมันมันร่วมมันเดียวมันหรอกมันร่วมตัวเแค่กับพวที่แหลกเที่ยนที่แหลกกับอไก่คอไข่คอขวดคอวยก่อนสาราสาราสารีเซออินบ่อนหูโตโตเดียวกันมัน พอดีกอมาร่วมกันมันกอสละอาอ่านว่ากาเนี่ยแต่ที่จริงมันเพรมันกาเลยมันเป็นสละอากอกไก่สิกอกไก่กอกไก่อยู่จะมาร่วมกันแล้วมันเป็นกามเป็นอ่านว่ากามันตัวไปกอสละอําอ่านว่ากํามันตัวไเจริญสันเท่ามือกันมันตัวไปเขาบอมาเค็ตเป็นไงก็ต้เงียนสี่ต่กอนแล้วเงี้ยนตัวหนีตะก่อนเห็นมือเป็นมือเห็นตีนเป็นตีนเห็นขาเป็นขาเห็นยางเป็นอย่างเห็นนั่งเป็นนั่งสิเนี่ย เห็นนั่นเป็นนั่นเลยที่เห็นต้องไปด้วยกันล้วไปเมื่อเห็นที่เขาที่เขาเห็นมากเขามากเขาเห็นมากเขามากเขาพน้ามันจะเป็นลูกได้บรรไงกายเขาเมดเม็ดตัวเม็ดตัวนี่คือลูกแต่เนี้ยมันคิดตั้งที่แต่เนี้ยนี่บอมันทัฒนาความคิดเด้มันบอกมือจะเปลี่ยนเลยมันบอกปั๊บมือจะถึงเป็นเป็นทุกข์บอกว่าเมีนเลยมีบอกว่าถ้ทัะน่าว่าให้คิดกันต่อไปคิดบอกมันเป็นลูกเด้บรนไง มันนะั่นคือห้องสบรายาวตีนมือประสีสบรายาวได้แบบไหนย่างขาสบรายาวมันห้อกอันนี้เป็นข้อมือเคลื่อนไหวของห้องสินี้กายเคลื่อนไหวนี่กายตัวสิวิลลูปันมันนับไปที่ไหนก็หูแมวมันนี้เลื่อนไปสิบประการว่าตีนหูสิบประการว่าขาหูสิบประการว่ามือหูสบรายาวลูกป็นเคลื่อนไหวเป็นเป็นปฏิกิริยาของลูกเป็นลูกเคลื่อนไหวผู้ที่เขาที่เขาพนักขัน รูปประันเท่า น, น, นั้นรูปประคันรูปประคันตัวนี้คือตัวถูกเลยรูปไม่ตัวสุกเลยรูปประคันตัวนี้เป็นตัวถูกเลยเป็นถูกเป็นสมุทัยเลย MX. สมุทัยคือตัวนี้นี่คือรูปประคันเลยเป็นตัวถูกเป็นเหตุเลยเป็นเหตุในการถูกทุกอยัางวันนี้รูปตัวนี้ทุกหลายอย่างเจ็บหัวก่อเป็นทุกม้ว่าเจ็บหัวลูกลกนเป็นถูกมัดวันเจ็บหัวปวดท้องเป็นมาลองงองไปตลอดวันนี้ แค่เป็นไหนทุกน no ี่จะต้องทุกบางอย่างเขาแสวงหาทุกบางอย่างเขาบรรเทาได้ทุกบางอย่างเขาต้องดับมันเลยทุกแสวงหาคือยังเยูิวเขาดน้ามันบแสวงหาแล้วมนบเดี๋นนีก็ิ้นคนละวิตาบาทคนแล้วไม่ก้องมว่าอะกินเลยเงินบอหนาทุกคนต้องแสวงหามืมบรรเทามันเลยันหิ้วก็ชินเขาแ่เนี้ ขี้ผ้าก็สบายเห็นว่าเนี่ยสบายได้เลยขี้ผ้าก็สบายเป็นโลกเป็นเนื้กระซังต้องบันเท่ามันไว้ต้องบันเท่ามันไว้บันเท่ามันไว้เช่อกันตัวนี้ก่อนถูกตัวนี้ต้องหูของมันเสียห่อจะหูแจ๋ว่าตัวนี้มันเป็นขันโลกประขันโลกประขันตัวนี้เป็นขันหูที่เขาที่เขาเลยคือก่อนถูกยังนี่เขาทำวัดปั่นจักคันท้ายคันต่างหากคือตัวถูกตัวถูก ลูปังอันดิจังลูกกัเป็นถูกเด้ควรมาเทียนเวทนาอนดิจ่าเวทนาของคือควบถูกหนีจำญ่างก็ควบถูกสังคานก็ควบถูกวิญญาณก็ควบถูกไปมันเปลี่ยนได้ไม่สั้นเล้เพราะมันเป็นสายเดียวกันเลยมันเป็นสายเดียวกันเป็นุกมัสมัวว่าจะเป็นลูกกับต่างน้ำก็ตามมันเป็นถูกมันอยู่ว่าเป็นถุกเพป่นยังหาเพป็นมันนี่ถูกแล้วป็นยังหาถูกมันใสแค่ไห้ อาสุกมาใสเห็นมีข้มสุขมีขมสุกนมีข้มสุกได้แบบไม่จะเลื่นแล้วจะเลิ่นสติแบบยังเอาเหตุสิจะเลื่อนสติจนือเท่หูหูเท่าท่านมันหูขนไก่เขามั่นทัต่อไปหูมันขันโมหูมันสิได้บอก็ได้เพื่อกันขันโมหูก็ได้เพื่อนได้แบบโมหูได้แบบธรรมชาติที่เป็นแห่มาได้แบบว่าที่บริพัตนาจังหมูจังหมาสิได้จังง้ยจังควยเือกัน มันก็อยู่ตามธรรมชาติจะอยู่ได้ยู่ล่ะอยู่ได้แต้ว่าคนอยู่บ่ได้เนี่ยมันทำลายผู้อื่นอยู่บ่ได้เด้วคนห้องจะงูจะห ม, ม, มาการกันบ่ล่ะหมาการกันนี่ม่งเอาอาวุธเดี๋ยวกีดเฉาสันเนี่ยวกากรกั น, นเดี๋ยวคนบ่ได้เนยกำลังสูบบ้บ่ได้เอาอาวุธบ่ล่ะฮิดกันันเนี่มาข่ามาตีกันกูสูบบ้มึงบ่ได้กูเอามีดมึงกำลังเหนือกา อามีดมึงไม่มีมีดกูไม่ีปืนมึงไมีปืนก็ไม่หลุกระเบิดกันเด้มันไล่กาดเลยคนพาารย์ปริเจ้าพันยมว่าสอนคนสอนในเฮ้าหูจากตนเองคนบาสอนเนื้ออื่นออนสอนศาสตร์ตัดคดีอยู่แล้วไม่ต้องสอนมันไม่ต้อสอนไหนมันก็า่ะหูเพราะวมันมีธรรมชาติของสันเดาะสี่สอนง้อสอนคล้วยสอนยังกับวะหูธรรมชาติเขามันเขาไม่แค่นั้นคนนี่มันบอมแมนของสันบ่อใดบ่สอนบ่อใดคนนี้สอนสันน้ เป็นยังสอนคนนี่เจ้ยว <c oughs in earth> ่าเพื่อป้องกันมันควมอยู่ควเป็นอยู่ของของคนมันแต่บอกง่ายๆเป็นยังสอนในห้องจะเลื่อนสติตลอดจะเลื่อนให้มันมากๆบอกออกไม่ออกห้าวก็ดีอย่าได้โลดเตะละเห็ดค่อยๆเห็ดเบาเห็ดงามๆก็ได้ครับไ่ต้องไม่ต้องกันเจ้าว่าไม่ต้องขาดพ้นเไปเห็ดสบายสบาย คือบางคนขยันก็ได้แต่จะของเบาตัวเบาใจมันเบากายเบาใจขยันก็ได้แต่บอกว่าตัวอะไรยังหนักอยู่กายก็หนักหัวก็หนักควมคิดก็หนักควมอยากพู่อย่าเห็นก็ร้ายผ่อนผ่อนมันเสียก่อนผ่นผ่อมันเสก่อนมันเอาไปดึงเครื่อลายมันจะดีทําไมตัวเขาี่ปันแกได้ก็ได้แต่ไปยิงเราสติเขายังเพลินสมบูรณ์แกได้ป่าวว่าอยู่ดูจนบากเล้ เป็นบ้านอย่างนี้คู่บ้านจัดหน่อยฟังอยู่เป็นบ้าหลายคนอยู่เลยแก่ศิลดแก่ผาตีหัวผาคนคน่ลอยฟังอยู่เพราะอ้อย่างพอเอาคนไดยคุ้มพดคุ้มสติคนโดยคุ้มสติแห้งผดที่จริงสติไม่ได้คุ้มเลยสติไ่ใชบไม่ได้คุ้มเลยสติไม่ได้คุมมันเนี่ยมันจะเกิดกันมาเองเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติไดยเกิดกันมาจากการปฏิบัติเป็นคนง้างของห้องในสติสติเป็นตัวผลเลยเป็นคนงานเลย เจ้าห้องต่งางๆคนมากไปก่อนผลงานของการสติกับุดตัวห้อยแล้วอนจะได้ผลงานพันยังหังงนยางนะพันนัเด็ไปบอยถ้าไ่อยมันก็ได้จดอกได้ดอกก็ต้องเอาลายดอกเอานน้อยค่า้างอึ่งดียวดอยอรายได้เอ่อะนอกพอเอาลายลายมันลาบากผมรู้หือนกันจะมิจะรูไหลเถอะจะรูลา ย, ล, ล, ายล้วมันไปไปวาจบก็ต้องเป็นหมหมมหาดอก เป็นอาตมากับเป็นลงตาธรรมดาเลยครั บ, บรเล่นเล่นนี่ยังเี่นกับเล่นธรรมดาเียนหนังสือธรรมดาไมต้องเป็นนั้นมากหรอกหูหน่อยค่อยค่อยเป็นะหู้มากอยากดานมันนะ่ะเลยมากคนนี้ตำรวจแล้วมันมันทำไล่กันเนยฉลาดคนนะฉลาดแจมโก่งดิคนโงัวตอนใหนแหงโก่งเหรอเป็นาเพื่อนนิ้ว ม, มือหูจากสนแห่นแหงโกงขัก โกวงยังไงเราเอาโก่งมันแล้วอันนี้ก็เิ็นเว้เนาะเหียนน้อยน่อยนี่คิดลบจะคลองกันมาไป tunes, achts, ็นต่ำเรียนเลียนละสามบาทมะขายเรียนละสิบบาททีวีเดืยนละห้าสิบบาทก็ได้มะขายนะแทนทองแทนในน้อยทอง้ามื่นเขียนตัวคลองใส่เขียนอย่างง้ออ่างเงี้ยคือสี่นกเขาเขียนเข้าไปก่อก่อก่อก่อก่ออันะเนาะเอาผ้ามาสอดใส่ กระตุกพนัะเงินวะขายได้ไหมนี่แส้ท่องเันซื้อมาแสน่งสามบาทไม่ให้กระตุกได้สามหมันพนะเมาขายกระตุกเิ่านั้นหาลอยพนันว่าลอยหาทิพนันนี่นี่แหละเสียน้อยคิดเอาได้มากพนันเป็นมิดมาแทะเป็นคนจีกงผู้พนันโจะเอาอลยบ่เอาไม้แขียนแขียนแขียนมาจนท่องมันออกออกกินเจ้าของมองแอลในแหลมดเไป ข้าม <ừ> ันออกไปสวยเท่ากันสวยจะเต้นเด็ดสวยท่องเรืองเอามาแฉนข้อใช่ว่าข้อดามัดจะมีดีวันนีแพร่ก็ได้เนะเพราะอีกย่างเพราะห้องว่างหูเนี่ยเขาบอกคอยใจเนี่ยเราเป็นเป็นลูกมือเขาแล้วเปเป็นลูกมือคนฉลาดฉลาดจำโกงบอแล้วเนาะฉลาดต้องบกโกงพีฉลาดต้องบกโกงมีห้องคิดทห่ว่าดีได้บอกบอกไม่บอกอัน้วาคิดว่าดีแล้วมัน อันนั้นบว่าฝกที่สี่เขาจหลงเลยมันหลงลหร้ายไหลเลยเจ้ีที่อัตมาแล้วก็พมีก็หลงขึ้นกันตั้งแต่ว่าถ้าได้บวชหลงขึ้นกันจอว่โศกดีในจักหน่อยบวชเข้าบาแล้วได้ปฏิบัติธรรมลดบวชเข้าบาแล้วอะพ่กก็ดึงเ ข, ข้ามาพี่ลดพ า, าเป็นผู้บาอาจารย์อยบันมันก็ฝักไปทั้งนี้ย่งเปนอาจารย์บุญดาไปฝึก ข, ขึ้นกันในบ้านหวงกุ้งฝึกเราเป็นผู้เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผมมาสอบมาลบเป็นผู้มาถามซ่เฟ็ด เป็นใส่น้ำเพลินอยู่ออบร่มออกถ้ามาถูดเพื่อจะไปํากันก็เปิดทางวันเดียวออกเป็นบ่อยเป็นบ่อยเป็นผู้กลางจรหนังเป็นผู้หมัดําโพงเป็นผู้หิวหิวเครื่องขยายนิดหน่อยเป็นผู้แต่งสายซึ้นสายไฟมัน่อไปบ่อยเรื <c> ่อ <oughs> เป็นบ่อยมันจะไป่นเป็นผนักผ้าก็เว่าอไปน้ำเพล่นอยู่ไปตบประการไปเรื่อย ไปก็ได้มโอกาสได้ทุก์ปฏิบัติไปเรื่อยๆผมว่าอาตมาบนตั้งใจแล้วาฏิหูที่เห็นเห็ุไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆที่เห็นกระซางบ่หูก็ตามบระสุทธเท่านั้นควาว่าจะเดืาจะเดืไปคอว่าจะเดืฟังค่าจะเดืไปจะไดืกกินเข่าไปนั่งมองบริษัทนาเทศนั่นลไปทานข้าต้มเถิเดียวไปลูกเดียวปฏิบัติทานเรือทั้งหลายองวันไกลแล้วนอนผ่องหองเจาะกก่าอ้อฮู บอกจะคลองเลยสู case, mm ่ล hmm. ูกเดียวหรือไปเพิ so ่นกัยังเพิ่นก่างเื่อนห้องกับ่องเื่อนเพิ่นยังโหิวห้องก็โมหิวเพิ่นหิวเพิ่นโสดได้ห้องก็ได้นี้เพิ่นทําได้ห้องก็ทําได้สิ่นี้เอากำลังใจจะแของไหมสู่มามันจะพูดเป็นปีเริ่อไปปีสองันห้ายี่สองยสามี่บ่แล้วมาบวชปีสองพันหายี่บเอ็ดยี่บยีสองยู่บาย่บาทสองปีสิี้ก็มาอยู่น้ำลงคอยจังค์น้เพิมผู้เวี้ยงกับสองปี มาเมืองเล่ยกับพี่สองพันร้อยย่มห่าเท่าเดิต่ว่าเดินอยู่บ้านหา้อดแตว่านังไม <c oughs> ่ได้เจ้าบองที่พักพี่อาศัยอยู่เมืองเลยอยู่พุ่นมาลมเล่นใช้เมืองเลยกับนี่พี่น้องเมืองเลยกับเลยไปยู่หนักหักคนเมืองเลยมันเป็นรถเก๋าเลยบอกโอโอมายอมเถอะหนูไม่ยอมดูไม่ยอม <c oughs> บอกคือว่าอยืนหนัอก็เลยวันี้เพืดอจะไปยู่นัก นี่แต่ตามาก็เป็นพอคุยดีมันค้จะกกันดีพอคุบาอาจามย์ยก็บริจาคอยู่เป็นอย่างวันหยันหนาวอะไรวุ <c oughs> ้คือวันหยันนั่ก็บริจาคกันเลยก็เลยอยู่เป็นหมู่ผมาเรื่อยๆเท่าเดี๋ยวนี้ยมองอยู่คนันอะไรเท่านี้กันพ่อแม่ก็ตังอกตั้งใจอยู่ใสา่างอยู่ใสก็บมีหนุ่กบหน้ามือเก่ามีใส่กับใส่คือเกา่กเกานี่แล้วปัตยปิดอกก็นี่แหละก็ต้องไปอยูใ่ในตู้รอ ตู่ก็ต้องดิ่งเฮ้าอานันลราคือตู่ปัจจัยปดกเฮ้าอาั่าคือตูปต่ปัจจัยดกพระสูตรทุกตัวเฮ้าอันพระสูตรส่วนสำเร็จมาจากคอจากแม่มาจากธรรมชาติเป็นปันไห้วัดเรอนี่โลกนี่กายนี่ตานี่หูนี่จมูกนีก่ดินนี่มัดเลยเท่ากันเล้ปันเม่เท่ากั น, น, นเมื่อกันเป็นไห้เหรอมีพระสูตรพระปฏิธรรมคือใจของเฮ้าอันปฏิธรรมคือใจของเฮ้าอน ใจห้องแลงเราเป็นฝ่ายไม่ทำคิดแต่ยังนี้กระสังฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ตัวนี้ฮู้ดีกว่านต่อไปฮู้แล้วมันคนถุกมันเป็นหู้ในตู้หนังสือหูในตู้นังสือแล้วก็เลี่ยงนั่นเลียงนี่ไปยังสั่นไปยังสี่ที่นั่นนี่สิลำบากหรือว่าหลงปูเทียนหรือว่าผู้บาอาจารย์มันยังให้ฮู้ตัวนี้ดีกส่าก่อนฮู่พรใจปิดดกนี่นะตู้พระใจปิดดกปิดดกพระสูตคือตัวเฮาตัวเฮยางเฮาไปเฮามาเนี่เป็นพระสู พาวิน่ายคืออย่างพาวินยคือคือสิ่งแวนหลอมสิ่งที่นแวนหลอมมันมันอำนวยให้จังหวดจังโอจังทีหาอยูนจังหวัดป่าสุวนเรียนพาวิน่ยนนยัเดีบรลอย เ, ยเยอยออด้เดีบรลอยเหมาะสมมากกว่าเดีากาสทกันเด้การมาปฏิบัติเพราะาเปาปฏิบัติจะใช่กระไกับเมียนปฏิบัติในร่งหลังกรไไรเลยอ <c> ย <oughs> ่เป็นอยังยังกบอยเรียกว่าผีบา้บากันนั่นว่ะหรอยักยังขบใร่งหลังว่าได้ การปฏิบัติกระดรองอาศัยพื้นที่ขึ้กันเลยมองไหนมันส ง, งบเสียียบมองไหนตัวจะพอกับคุ้ยกันนี่แหละนีบางอย่นั่งเด็ปฏิบติกดกที่บคกหุบใจมยเจ้ากันจะเชเจาเย้จะเชยอ่าพอวไงมนมีแล้วนี่ถ้าประสูตรสูตรหนาสูตรหลังมั่นว่า <laughs> สูตรตัสูตรมากเรตั้งกันลำพส่โอ้โห ด, ด, ด, ดูเวสโตนี่โอ้โหดูเวสเอนี่นะเอาไปมาแล้วเกิด บาบาเกิอดอารมณ์ อ, กก อ, อารมณ์ที่ว่าบะชดใจวันนีเกิดความสุขเกิดทรัพย์สมบูรณ์ไหวทันได้ไหมนี่ฉะนั้นเขาจึงระวังให้ดีวิเนยพระวิเนยหมายมถึงว่าสิ่งแวดล้อมสาหรับที่จะประติปฏิบัติธรรมพระปฏิธรรมคือโตโต้ห้อมมาประกอบประกอบกันฉะพระสูตรพระวิเ น, นยพระปฏิธรรมสามอย่างกันเรียกว่าปีดกปีดกสามในหลักปฏิบัติถูกเข้าขเข้ากับพระย่ามแล้วบอกไปออก พยายามตากบตั้งใจอรรมะบับไหลบอกได้น้อยรเดยวันมีคุ้มลลัยเผื่อมับวบแต่ธมามีคุ้มลุหน่อยบวบได้น้อยสิแล้วที่บอกเป็นยังไงเป็นายก็สร้างคนไม่จะไรายนังคนเป็นไรก็ไร้ใจพูดหน่อยก็น้อยใจพอเราติสพี่เขาเท่าบ่เคยกัดบ่เท่ากันแบบรูปแบบไม่เท่ากันในไร้เขาสร้างคนเดียวมันคนเฮ้าได้น้อยก็เฮ้าดีกลัว มีเงินใจเงินล่างก็สั่งเพามีเก่าบาดที่บาดก็แพ่งวันนี้แล้วไ่กัเปอไปยิมไ่ใช่กันนะวะไ่เห็นแล้วลนน <c oughs> ออของเาอขงาขกขาได้เหรอแต่คนนี้งินล่ายองคนมาตัึงจะขวางบะไรบะไรดีบริตำรวจจับยิมได้สบายนะมีเงินหน่อยยิมได้สบายคนยังหวะอย่างก็อเอาหัวใจ ก, กุศล คิดก็ค่อยไปค่อยๆมีน้อยใจน้อยแหละเข้าก็ได้มีคมนิหน่อยเขาบอกน้อยๆอนีอน่นนจะว่าพกอไอย้ล่อแม่ต่กงกังใจมือนีก็เป็นมือมือที่หกมืออื่นก็เป็นมือสุดท้ายมือหึ่งก็อำลาพ่ายจากกันไปต่างคนก็ต่างไปหันหลังให้กันแล้ว <c oughs> ไปว <c oughs> ังหวังแล้วไปหวังหวังบ่เลืหลังขึ้นมาซองและมันเนี่ยไปคนละขีดคนละทางอาตีหนาโอกาส ด, ดีก็พ่อกันอีก คนบตายตายแล้วก็เล่าไปเล่าไปทำไมเนาะปมงไหอนี่มาเล่าสิมาเล่ากับลูกคนหนาหน้าเท้กระดูกลูกนหน้าห้แห่บงอีาน้าคนบาดลตายแล้วก็แล่าคนแล้วจะไปทไมอีกโยคนลมัดคนลมันแล้วก็เล่านแล้วไม่ถึงไหนที่เราห้ต้ตัใจโอกาสทั้ห้องมีมันบ่อนไหลมีน้อยๆหกมื่เจดหมื่นก็ถือว่า ท่านผู e ้ใดปฏิบัติจริงๆเดี๋ยงเป็รูปเมื่อรูปหน่อยก็รูปลายแล้วเมื่อต้องลายแล้วก็ในหน่อยก็เอาพวเป็นยาโอกาสหนาเขาเอาม้ตีนหูจักรูปซะตีหนาหูจักน้ำก็เอาละีหูจักหูจักรลายเราเป็นอะไรจะหูแค่เดียวก็ได้อะไรไหูน่อยๆหูคอยเป็นมคอยไปอย่าไปอยากหูอยากเห็นมันเถอะเต้องวังมันละะวังเป็นเมียงเนวันโซดาบันโซดา อย่างโซดาปฏิมาโซดาปฏิผลก็จะพอหวังเงินเถาะนั่นเป็นคำพูดเถอะคำเข้าออกกันสั่นอะสมุดกันเถอเป็นยงกระตังพอจะไเอาเบิงเดิมนี้เบิ้งลูกเบิ้งน้าเบิ้งไก่เบิงใจมีสติมเดมนี่แต่จะันนี่นี่จะขึ้นือื่นละมืออื่นขึ้นมาหนีละพอออกไออกหามื่อืนบพอเอหามื่อืนบพอพ่อกับพ่อมันนีนะมันนีดีมืออื่นก็ดีมันงามมืออื่นก็งามคือเก่า เาะมือนีก็คือมืออื่นมืออื่นก็จะเป็นมือนีเด <alle> ้ออมมืออื่นก right, ็จตลาดคนะต่างประเทศมอื่นก็เป็นมือนีละอี่ไมไปมืออื่นไปได้ไหเนี่ยแล้วคิดไดไเนี่ยนี่ถ้จะให้บางมือนีจะไปบางมือนีอันมือนีดีุเลยมือดีถ้าไม่สตมือนีเอาฝึกมือนีมือ่นก็สบายเนี่ยตอนเป็นนันเดียวกันมืออื่นบอบบางมือหนีจะไปมีสําหรับมือนีแสว่ามือนีดีกว่าหนึ่งนาสันนะ แสดงกับอาตมาเนียกล้ามากอสมควรเจวลาเนาะขอยุติวินทะี่เฉลี่ยละขอจบเป็นใจ